เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้แปดสิบปีแต่ธรรมเทศนาที่แสงไปนั้นก็ไม่ได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิพานในการตอบปัญหาของตถาคต ก็ไม่ได้แปรปรวนสาริบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามคนทุพพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มีสาริบุตรถ้าผู้ใดจะพึงเปล่าให้ถูก ไห้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหนังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น มีในสมัยหนึ่งที่พระบรุทชาประทับอยู่ที่มิคาระมาตุประสาทในบุภารามใกล้เมืองสาวถีในลาดับนั้นท่านพระอนตน์ได้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาดแล้วรูปคำทั่วพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะัจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือในบัจ น, นี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินสีทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจ ม, มูกลิ้น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 ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนมีในครั้งหนึ่งได้ตรัสกับท่านจุนทะสามเณรถึงการทำหน้าที่ของพระองค์ดังนี้ว่าจุนทะในบัดนี้เราแหลเป็นศาสดาบางเกิดขึ้นในโลก เป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะอันหนึ่งธรรมะเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบประงับชื่ว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึ่ง สา ว, วกทั้งหลายเราได้กล่าวสอนให้รู้แล้วในสัต์ธรรมพระมรรจันร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสาหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทาให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของง่ายคือเข้าใจได้ทันทีทำให้เป็นบททรงคระทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าสัใจ พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสืบไปแล้วจุนทะในบัด น, นี้เราเป็นศาสดาที่แก่เท่ารู้ราตรีนานบวชนานมีวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลำดับจุนทะในบัด น, นี้ ภิกษุผู้เทระผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจได้เป็นผู้แก้วกล้าลุกทรรมเป็นเครื่องกระเสมจากโยคะแล้วสามารถจะบอกสอนสัรธรรมสามารถกลมขี่ถ้อยคำอันเป็นข้าศึกให้สงบราบคาบโดยธรรม แล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสัศจรรย์ได้จุนทะในบัดนี้ภิกษุผู้ปูนกลางผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัดนี้ภิกษุณีผู้เทระผู้ปุนกลางผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่ นในบัด น, นี้อุบาสกผู้เป็นเครืัสต์นุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์นุ่งห่มขาวยังบริโภคกามผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัด น, นี้อุบาสิกาผู้เป็นเครหัสต์นุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ และนุ่งห่มขาวอย่างบริโภคามผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่คือในบัดนี้ปรมจันทร์คือศาสนาของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพ่อเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี สืบไปได้แล้วและครั้งเมื่ออยู่ที่อุปัฏฐานาสาลาในนครราชกฤตได้ตรัสกับท่านพระอ น, นุนอย่างนี้ว่าอ น, นุนเธอจงไปสั่งให้ภิกษุทุกรูปบรรดาอาศัยในนครราชกฤตมาประชุมกันณนะที่อุป ฐานะศาลาในที่นั้นได้ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายเรื่องอภปาริหานิยธรรมคือธรรมที่จะเป็นเพื่อความไม่เสื่อมอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอภปาริหานิยธรรมเธอจงเงี่ยโสดลงสดับจงทําในใจให้ดีภิกษุทั้งหลาย เธอจะไม่เป็นผู้ยินดีในนวมกรรมคืองานก่อสร้างต่างๆไม่ยินดีแล้วในนวมกรรมไม่ประกอบความเป็นผู้ยินดีในนวมกรรมคืองานก่อสร้างต่างๆอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสษุ์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น 2. ถ้าภิกษุจะไม่เป็นผู้ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีแล้วในการพูดคุยไม่ประกอบความยินดีในการพูดคุยอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายวางได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุ จะเป็นผู้ไม่ยินดีในการนอนหลับไม่ยินดีแล้วในการนอนหลับไม่ประกอบความยินดีในการนอนหลับอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเธอจะไม่เป็นผู้ยินดี ในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ยินดีแล้วในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ประกอบความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่อยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายหวังได้อยู่ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นพิสุตลายถ้เธอ ธอไม่เป็นผู้มีความปรารถนาเลว3ามไม่ยินดีแล้วในการเป็นผู้มีความปรารถนาเลว3ามไม่ประกอบความยินดีในการเป็นผู้มีความปรารถนาเลวทามอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่เธอนั้นหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้น พิสุตอหลายถ้าเธอจะไม่เป็นผู้คบเพื่อนชั่วไม่ยินดีในการครบเพื่อนชั่วไม่ประกอบความยินดีในการครบเพื่อนชั่วอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ผู้เธอทั้งหลายหวังได้อยู่ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นพิสุตองหลายถ้าเธอจะไม่เป็นผู้หยุด เลิกเสียในระหว่างเนื่องจากได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายวางได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นอ น, นุมาเถิดเราจะไปสู่สวนอัมพัลติกาในที่นั้นได้ตรัส ถ, ถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญา โดยนยยะอย่างนี้ว่าศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอันนี้ส่งมากปัญญาที่สมาธิอบรมส่งเสริมแล้วย่อมมีผลมาก มีอันนี้สองมากจิต ท, ที่ปัญญาอบรมส่งเสริมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคืออาสวะคือกามอาสวะคือพบและอาสวะคืออวิชชาได้เสด็จไปยังเมืองนาลันทาประทับที่ปาวาทิกมพวันในที่นั้น ได้ทรงสนทนากับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าสารีบุตรเธอกล่าวคมคายนะักที่เธอเปล่งศีหนาดยืนยันลงไปว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเป็นไม่มีแล้วจะไม่มี และไม่มีอยู่ดังนี้นั้นซารีบุตรเธอล่วงรู้ความรู้สึกภายในใจของพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ที่ล่วงไปแล้วที่จะมาในอนาคตและคือเราในบัด น, นี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นๆมีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้อย่างนี้ มีวิหารธรรมมีวิมุตตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระชุ้าข้าสารีบุตรทำไมเธอจึงกล่าวคมายปลิงสีหนาตยืนยานลงไปดังนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีญาณกำหนดรู้พระไทยของพระาอารันตะัสมมาสัมพุทโฉาวาทั้งในอดีต อนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่การเป็นไปตามทํานองแห่งธรรมนั้นข้าพระองค์ทราบแล้วหลังจากนั้นได้เสด็จไปยงบ้านปานตาลิคามบ้านโกติคามและบ้านนาทิกะตามลำดับและเมื่อไปถึงบ้านเวรวคามก็เป็นเวลาจำพัญษา ถึงได้ตรัสกับพี่สุทธงหลายอย่างนี้ว่าพี่สุทธงหลายเอาเถิดพวกเธอจงจำพรรษาในเขตเมืองเวสาลีโดยรอบๆตามพวกมิสหายและชาวเกลอเถิดส่วนเราจะจำพรรษาณบ้านเวรุวะขามนี้ในที่นั้นพี่สุทธงหลาย เลือกที่จะบรรษาตามพอใจแล้วในบรรษานั้นพระองค์ทรงประชวนหนักจนสิ้นประชนแต่ทรงมีสติสัมปสัญญาไม่กระวนกระวายทรงนำรีว่าต้องแจ้งให้อุปถากและพิสุสงทราบล่วงหน้าเสียก่อนแล้วปรินิพันธ์จึงจะกวนครันหายประชวนแล้วได้ตรัส กับท่านพราอ น, นุนผู้ทูลสรรเสริญถึงความอดทนต่อทุกขเวทนาของพระองค์เองและหวังว่าคงอย่างไม่ทรงบริญนิพพานก่อนจะตรัสเรื่องสําคัญสําคัญอีกในที่นั้นได้ตรัสกับท่านพราอนนอย่างนี้ว่าอ น, นุนภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะ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 วัยของเราเป็นมาได้แปดสิบปีแล้วกายของตถาคตครกร่ำกล่าแล้วเปรียบเหมือนเกวียนกล่ำกล้าที่เขาซ่อมแซมปะท่าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่อานนสมัยใดที่ตถาคตเข้าสู่เจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิต เพราะไม่ทำนิมิต ท, ทั้งปวงไว้ในใจดับเวทนาบางพวกเสียตั้งอยู่ในวิหรารธรรมนั้นได้อานนท์โตชงถือผ้าปูนั่งไปเราจะไปสู่ป่าบาราเจดีเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันในที่นั้นได้เกิดเหตุการณ์เป็นดินไหว เ่านพระนนท์ได้เข้าไปถามถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นจึงได้ตรัสถึงเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวและได้ตรัสเรื่องของการปร o l อายุสังขารไว้อย่างนี้ว่าอนนท์เมื่อตะกี้นี้มันผู้ชใยบาปได้เข้ามาเราที่ปาวาระเจดีย์นี้ยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจงปริบัติพ่านเสถิดบัหนี้ถึงเวลาปฏินัิพ่านของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วไว้ในการก่อนว่าจะยังไม่ปฏิบัติผ่านจนกว่าพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะมีพร้อมบริบูรณ์จนกว่าพรหมจรรย์จะมั่งคั่งจเจริญแพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปลึกแผ่นพ่อเพื่อมนุษย์และเทวดาตั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสืบไปแล้วก็ในับันนี้พรมจรร์ของพระผู้มีพระภาคมั่งข้่งแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงบริณฑิพานเถิดขอพระสุคตจงบริณฑิพานเถิดดังนี้เราตอบมาน ผู้ใหญ่บาปไปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีบาปเธอไม่ต้องขวนขวายหรอกไม่นานเลยตถาคตจะปฏินิพพานอีกสามเดือนจากนี้ตถาคตว่าจะปฏินิพพานอนุนในวันนี้เรามีสติสัมปชัญญะป r o l o อายุสังขารแล้วนัปาวาระเจดียแห่งนี้ ในทีนั้นท่านพระอ น, นุึงได้ทูลขอให้ตำรงพระชนชีพอยู่ด้วยอิทธิบาทภาวนาในที่นั้นได้ตรัสกับท่านพระอ น, นอย่างนี้ว่าอานนอย่าเลยอย่าวิ่งวอลตาตาคตเลยมีใช่เวลาจะวิ่งบอลตาตาคตเสียแล้วตาาคตได้บอกแล้วม่ใช่หรือว่าสัต ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทถึงสิ้นกานที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังการนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชีบหายเลยอย่างนี้ ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้อ น, นุนสิ่งที่ตถาคตพ้นแล้วขายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดแล้วสิ่งนั้นคืออายุสังขารที่ตถาคตโปรงลงแล้วตถาคตกล่าววาจาตายตัวแล้วว่าจะมีการบริณิพาน ในไม่ช้าตาตาคตจับวรินุภานต่อครบสามเดือนจากนี้การที่จะคืนคำนั้นแม้ปพระเหตุจะต้องเสียชีวิตก็ไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เลยเป็นการใดที่ตาตาคตมีสติสัมปชัญญะป r งอายุสังขารในการนั้นเป็นดินย่อมหวั่นไหว สันสทานสะเทือนที่เป็นเหตุที่เจ็ดเป็นปัจจัยที่เจ็ดแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงอานอน์มาเถิดเราจะไปสู่ป่ามาหาวันเราจะเพียงที่กูตาคารสายาเธอจงให้ภิกษุทุกรูปบรรดาสายในเมืองเวสาลี มาประชุมพร้อมกันที่อุปัฏฐานาศาลาเถิดพิสูจน์ทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญายิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงเจริญทำให้มากโดยอาการที่ปรมาจันนี้จะมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิสุทธ์ทั้งหลายทำเราไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง นั่นคือสติปทานทั้ง4สมปทานสอิทธิบาทสอินรี่ห้าพระห้าโพชฌงเจและอริยมรตมีองค์8พิสุธนลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พ, พวกเธอทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดการบรินิพพานของตถาคตจะมีในการไม่นานเลยตถาคตจะปรินิพพานโดยการล่วงไปสามเดือนจากนี้เมื่อตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าสัตว์ทั้งปว ง, งทั้งที่เป็นคนหนุ่ม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 ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะ น, นั้นวหวของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปฉะนั้นของตัวเราได้ทำไว้แล้ว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 จะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้อนนนการเห็นเมืองเวสาลีของตาาคตรครั้งนี้เป็นการเห็นในครั้งสุดท้ายศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตตอันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโกตมะผู้มีเกียรติยศ ได้รู้ได้ถึงแล้วครั้นรู้แล้วย่อมบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพระศาสดาผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ปริิธานอย่างลืมตาบุญย่อมเจริญงอกงามแกทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวนย่อมไม่เสือบอต่อ แก่บุคคลผู้รังเบเวจเสียได้คนฉลาดเท่านั้นผู้ละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ